เพราะนามธรรมจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้คนดีคนเลวทำให้โลกเจริญหรือโลกเลวามำรับทำให้โลกสุขหรือโลกทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือนามธรร ม, า ถ, ามถ้าว่าคนในโลกในยุคสมัยนั้น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 แต่ผู้มีบาปมากเกิดอันนี้สงทานดีอยู่แต่อันนี้สงสินไม่ดีอันนี้สงทานคือทำบุญทำทานมากมากมากมายมหาศาลไปเกิดแต่ไปเกิดขึ้นมาแล้วสุขภาพไม่ดีเพราะอ น, นิี้สงสินเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากเกิดมาแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปตั้งแต่อยู่ในท้อง น, นออกมาแล้วก็ป่วยอีกเป็นไข้อีกเข้าโรงพยาบาลไม่รู้จักออก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 นี่วิญญาณเข้าไปแล้วแต่วิญญาณคือ น, นามธรรมผู้ที่เป็นผู้ที่มีบาบกไปยึดในไปเกิดในท้องอที่จะเป็นพร้อมที่จะหูหนวกตาบอดบ้าใบขากุดขาขาด เ, าเป็นอะไรเป็นได้ทั้งนั้นสมองฟ อ, เ, อเกิดมาแล้ว เ, เป็นบ้า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 แต่วิญญาณดวงนั้นก็เคยทำบุญทำบาปไวในอดีตอีกเหมือนกันนะอย่างพระพุทดธดเจ้าท่านบาเพ็ญมาเรื่อยๆ เ, เกิดมาพบใดชาติใดก็มีถามว่าท่านปาถนะอะไรปาถนะเป็นพระพุทดธดเจ้าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ปาถนะอย่างอื่นนว่ก็เป็นเป็นติดทิ้งใสมาตั้งแต่ดึกํำบรนยาวนาน